ฝ่ายพระประเจคพระพุทธเจ้ารู้การมาของพระกุมารนั้นแล้วก็กวาดทางแห่งเสนาสนะและที่จงกรมทำให้เกลี้ยงแล้วก็แสดงรอยเท้าเดินจงกรมสองสรอยกวาดโอกาสแห่งที่เป็นที่อยู่ในกลางวันและบรรณาศาลาทาให้เกลี้ยงแล้วก็แสดงรอยเท้าเข้าไปแต่ไม่แสดงรอยเท้าออกมาแล้วก็ไปอยู่ในที่อื่น พระกุมารเสด็จไปในที่นั้นเห็นประเทศนั้นซึ่งกวาดทําให้เกลี้ยงแล้วก็คิดว่าชิรอยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ในที่นั้นทรงสดับคําที่บริวารชนแล้วก็ตรัสว่าก็พระสมณะนั่นโกรธแม่แต่เช้าท่านสงสัยโกรธแต่เช้ามาตื่นมาโกรธแต่เช้าเลยแนะ่เหมือนกันบัดนี้เห็นช้างและม้าเป็นต้นเหยียบโอกาสของตนก็จะโกรธยิ่งขึ้น นั่งพวกท่านจงนั่งอยู่ที่นี้เท่านั้นดังนี้เห็นนะบอกบริวารไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเหยียบสถานที่ท่านเดี๋ยวท่านจะกโกรธอีกนวจะทําให้พระอรหันต์โกรธเข้างไนเสร็จแล้วพระราชกุมารก็ลงจากคอช้างด้วยพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จไปสู่เสนาสนะทรงเห็นรอยเท้าในโอกาสที่กวาดดีแล้วตามข้อวัดพระองค์ก็มีใจเลื่อมใส นะความที่ตัวเองก็ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นหมื่นปีในอดีตชาติพอเห็นได้รับอารมณ์ได้อุปนิสัยก็ใจเลื่อมใสเลยนะคล้ายๆกับพวกไหว้พระเจดีเนี่ยเห็นอะไรเหมือนยอดยอดคล้ายๆเจดีจะยกมือไหว้หมดบางทีเห็นยอดเมนก็จะยกมือไหว้แล้วเหมือนมันเหมือนคล้ายๆพระเจดีใช่ไหมสะสมแบบนั้นมาเยอะนี่ชั้นใดนี่ก็เหมือนการผู้ที่แบบมีข้อวัดปฏิบัติเนี่ยไปเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกับที่ตัวเองเคยเพิ่มพฤ้นปฏิบัติมาก็เลื่อมใส ว่าพระสมณะนี้จงกรมอยู่ในที่นี้เพราะท่านนี่คงไม่คิดถึงการค้าขายเป็นต้นแสดงว่าท่านไม่ได้คิดเรื่องธรรมมาหากินเรื่องค้าขายเรื่องอะไรเหมือนเราหรอกว่างั้นชรอยจะคิดถึงประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเท่านั้นแสดงว่าจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งท่านเข้าใจเลยนะว่าท่านมาหาอะไรกันแน่มันจะต้องหาสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่ตัวท่านแน่นอนแน่แท้สเสด็จขึ้นสีขึ้นสู่ที่จงกรม นะก็คือไปเดินที่จงกรมของพระนะั่นแหละกระทาให้ห่างไกลาจากวิตตกอันหนาแน่นคืออากูศลวิตตกมีกามวิตกเป็นต้นแล้วก็ประทับนั่งบนแผ่นศิลาพระองค์ก็เกิดสมาธิเนี่ยนะนะก็จริงๆก็ด้วยอุปนิสัยที่เจริญมาเป็นอย่างดีพร้อมแล้วก็เสด็จเข้าสู่บนนาารรณาาลาก็เจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งคือเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกสมโพธิญาณ น, นะบรรลุพระประเจกแล้ว ทีนี้พวกปุโรหิตก็ไปทูลจริงๆก็ทูลกลับวังนั่นแหละก็ทูลถามพระองค์ก็เลยประทับนั่งบนอากาศตรัสเป็นคาถาว่ามิโคอรัญยมหิยะถาอะพันโทเป็นต้นเนี่ยนะเนื้อในป่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วย่อมไปหากินตามปรารถนาฉันใดนรชนผู้รู้แจ้งรู้แจ้งก็คือมีวิปัสสนานั่นแหละ เพ่งความประพฤติตามความพอใจทั้งโดยสมถะและวิปั ส, สนาเป็นต้นเลยนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้ น, นนะก็คือบอกว่าเนื้อในป่าที่ไม่มีเครื่องผูกเนี่ยไปไหนก็ได้ตามใจผู้ที่อยู่ด้วยสมถะวิปั ส, สนาเนี่ยนะอ บ, บรมจนบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรก พันสัตว์สี่เท้าที่อยู่ในป่าที่ป่าที่ไม่มีใครเกลื่อนกลนนะอยู่อย่างสบายนนบทว่าอภันโท ค, ความว่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีเครื่องผูก ค, คือเชือกเป็นต้นไม่เหมือนแบบพวกสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ตามใจเนื้อในป่าที่ไม่ถูกล่ามจะไปไหนก็ไปได้ตามสะดวกฉันใดเหมนน เยนิชกังความว่าเนื้อย่อมปรารถนาไปโดยที่สาภาคใดๆย่อมไปหากินโดยที่สาภาคนั้นๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเนื้อในป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ไม่ระแวงไปไม่ระแวงเวลายืนไม่ระแวงเวลานอนอเวลาหมอบเวลานอนข้อนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเนื้อไม่ไปสู่ทางของนายพรานฉั้นใด คือเนื้อที่ที่ที่มันอยู่ที่ที่ปลอดภัยจริงๆนะจะอยู่อย่างสบายฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแล่สงัดจากกรรมสงัดจากกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปถมฌานมีวิตกวิจารปีติสุเกิดจากวิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่ากระทำมานให้มืดทำให้ไม่มีเท้า ขั้นฆ่าแล้วก็ไปสู่ที่ที่มารผู้มีบาปไม่เห็นก็คือพิสูจนที่อาศัยปฐมฌานเป็นบาตรเจริญสมถะด้วยปฐมฌานออกจากปฐมฌานเจริญวิปัสนาพิจารณาอริยสัจก็ไปสู่ในที่ที่มารไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยนะก็แทงตลอดอสังขตาธรรมวินยูนโรก็คือบัณฑิตทั้งหลายเสริ ต, ตังได้แก่มีความประพฤติตามความพอใจของตนคือคนเสริชนน่ะนะเสริชนนี่เป็นยังไง ผู้ที่มีความประพฤติตามความพอใจของตนเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองได้เหมือนั้นเรียกว่าเสรีชนเพราะไม่เนื่องกับบุคคลอื่นอธิบายว่าเนื้อในป่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วย่อมไปหากินตามความปรารถนาฉันใดแม้เราก็ตัดเครื่องผูกคือตัณหาอย่างนั้นแล้วก็พึงไปฉันนั้น นรชนผู้รู้แจ้งคือบัณฑิตแพ่งความประพฤติตามความพอใจของตนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนราดังนั้นก็ผู้ที่สั่งสมมาบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเห็นแต่เนื้อไม่มีเครื่องผูกนี่ก็ได้ปัจจัยที่จะบรรลุแล้วนะเพียงพอแล้วที่จะบรรลุมาเห็นกวางเห็นเนื้อเห็นละมั่งเห็นอะไรที่ไม่ถูกผูกก็เกือบบรรลุได้แล้วว่างั้นถ้าสั่งสมบุญมาดีเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อการบรรลุหมด แต่ถ้าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนะ <_ d ata> เห็นอะไรก็ผูกตัวเองได้หมดเลยนะ <_ d ata> เห็นอะไรก็นะเออนี่นะแหมถ้าเรามีเนื้อสักฝูงไว้เลี้ยงจะเป็นยังไงคิดไปนั่นนะนะในจูละนิเทศภา ษ, ษาริบุตรอธิบายไว้ว่า <_ d ata> เนื้อเนื้อโดยปกตินี่มีอยู่สองชนิด <_ d ata> ก็คือเนื้อทายกับเนื้อสมันคำว่อออมามรึกมรึกคือเนื้อเนี่ยหมายถึงเนื้อทายกับเนื้อสมันอย่างใดอย่างหนึ่ง เนื้อทายหรือเนื้อสมันที่อยู่อาศัยในป่าปราศจากการระแวงภัยเดินไปปราศจากการระแวงไัยยืนอยู่ปราศจากระแวงภัยนั่งอยู่ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู่คือเป็นคนอยู่อยู่แบบสบายโดยที่ไม่ต้องเนื่องด้วยอะไรนะบางคนนี่มันรักตัวจนต้องรี บ, ร บ, ร บ, ร บ, รบแต่นี้สบายเนี่ยไง อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเนื้อที่อาศัยป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ปราศจากความรังเกียจคือไม่มีอะไรที่ต้องหวาดระแวงกินแหลงแคลงใจด้วยเสือด้วยภยัยด้วยในพรางเป็นต้นเนี่ยนะเดินไปก็ปราศจากความรังเกียจปราศจากความระแวงยืนปราศจากความระแวงข้อนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายเพราะเนื้อนั้นไม่ได้ไปในทางของในพรางฉันใด ดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอากุโสลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารณ์มีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายภิสูจนี้เรากล่าวว่าได้ทํามานให้เป็นผู้บอดทํามานให้เป็นผู้ไม่มีทางไม่เห็นทางไปแล้วสู่สถานที่ที่มารผู้ลามมกมองหาไม่เห็นดูอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานอันมีความพ่องใสแห่งจิต ในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจาร์เพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดกําจัดมารให้เป็นผู้ไม่มีทางให้ไม่เห็นทางไปสู่เยไปสู่สถานที่ที่มารผู้ลามกมองไม่เห็น เอกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌ า, านที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูกวานภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทํามานให้เป็นผู้บอดกําจัดมานให้เป็นผู้ไม่เห็นทาง ไปแล้วสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปจะมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุ จ, จตุทชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขดับโสมนัตโทมณัอนก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอด ทำมารให้เป็นผู้ไม่เห็นทางไปสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนัสิการถึงนานัตตะสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาศสานัญจายตนะฌานด้วยมนัสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้ก็ไปสู่สถานที่มารมองไม่เห็น อีกประการหนึ่งพิสูรล่วงอากาสารัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนาสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปงวงแล้วบรรลุอากินจัญญายิตนะฌานด้วยมนาสิการว่าอะไรอะไรน้อยหนึ่งก็ไม่ได้มีล่วงวิญญาณล่วงอากินจัญญายิตนะฌานโดยประการทั้งปงวงแล้วบรรลุเน ว, วสัญญาณาสัญญยายิตนะฌาน ด้วยมนสิการว่านี้สงบนี้พระนิรล่งเนวะเนวะสัญญาณาสัญญายาตนะฌานอยู่โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวดยิตานิโรธคือเข้านิโรสมาบัติอยู่<ม>และอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญาดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทํามานให้เป็นผู้บอดกําจัดมานให้เป็นผู้ไม่มีทาง แล้วไปสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นภิกษุนั้นข้ามตันหาอันเป็นที่เกี่ยวข้องในโลกเป็นผู้ปราศจากการระแวงภัยเดินไปปราศจากระแวงภัยยืนอยู่ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู่ปราศจากการระแวงภายนอนอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุไม่อยู่ในทางของมารผู้มีบาปฉะนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนื้อในป่าอันเครื่องผูกอะไรอะไรไม่ผูกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อหาอาหารตามความประสงค์ฉันใดก็หมายถึงว่าเข้าปฐมฌานเจริญวิปัสสนาเข้าทุติยะฌานเจริญวิปัสสนาเป็นต้นจนสมถวิปัสสนาเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะทิฏฐิอาศัยเสียงเหล่านี้เป็นบาทเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตผลเข้าสัญญาเวดยิตานิโรธเนี่ยนะเป็นธาตอาหารประเภทอุพโตภาคาวิมุต ก็เที่ยวว่าเป็นเสรีจากตันหามานะทิฐิเสรีจากบาปอกุศลเข้าฌานใดๆก็เข้าได้ตามความปรารถนาจะเข้านานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวาดระแวงอะไรอันคำว่าวินยูคือผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มียานมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่านรชนนรชนก็คือส ok ัตมนก โปโสชนบุคคลชีวชนธาตุชนชันตุชนอินทคูชนอะไรงี้เรียกว่ามนุษย์คำว่าเสรีเนี่ยนะเสรีนี่แปลว่าอะไรประู้ที่เสรีชนไม่ติดไม่ค้องไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งนั้นะนะเรียกว่าเสรีเสรีนี่มีสองอย่างคือธรรมะเสรีกับบุคคลเสรี ธรรมะเสรีคืออะไรธรรมะเสรีคือธร ร, ธรรมะที่ไม่ถูกชาบทาด้วยตัณหามานะทิฏฐิบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเสรีก็คือสติปฐานสี่สั ม, มะปฐานสี่อิทิบาสีอินทรีห้าพละหา้าโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แนี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นเสรีไม่ขึ้นตรงต่อตัณหามานะและทิฏฐิ เพราะเป็นธรรมะที่กําจัดตัณหามานะและทิฐิมันโลกุตระธรรมเหล่านี้เสรีจากบาปเสรีจากอกุศลสงัาจจากบาปสงัาจจากอกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงส่วนบุคคลเสรีเป็นไงบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะเสรีหรือเสรีธรรมคือโพธิปักจัยธรรมนี้บุคคลนั้นเราเรียกว่าบุคคลเสรีใครที่มีธรรมะเสรีบุคคลนั้นเรียกว่าบุคคลเสรี ถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือโพธิปัฏฐิธรรมก็ยังไม่เป็นเสรีชนแท้เพราะอะไรเพราะยังเป็นทาตอยู่ทาตของอะไรทาตของตัณหามานะและทิฐิก็ยังไม่ใช่เสรีชนแท้แทเสรีชนแ ท, แท้คือผู้ที่มีโพธิปัฏฐิธรรม3าประการเต็มเปีย่ยมคําว่านรชนที่เป็นวินยูเมื่อเห็นธรรมะอันถึงความเป็นเสรีคือเห็นโพธิปัฏฐิธรรมที่เป็นเสรีอ ย, อย่างนี้เนี่ยนะ คืนอนรชนที่เป็นวินยูชนเมื่อเห็นเมื่อตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูถึงโพธิปักจยธรรมอันถึงความเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนที่เป็นวินยูเห็นธรรมะอันถึงความเป็นเสรีพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอเลศฉะนั้นก็เที่ยวไปด้วยอรยาาิยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แสงบจากราคะโทสะโมหะบาปอากุศลทั้งหมดโดยประการทั้งปวง ตำนานของพระประเจกอีกรูปหนึ่งนะ่ยนะที่พิเศษนะจากพระภิกษุมาเป็นมาเป็นบุตรเศรษฐีผิดกาเมตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นผู้หญิงพ้นจากผู้หญิงมาเกิดเป็นเทพระบุตรขึ้นลงสวรรค์หลายรอบแล้วก็ลงมาเป็นราชโอรสของพระเจ้าพรารณสีที่เห็นเนื้อเดินเดินไปก็นึกว่าเออเนื้อนี่มันดีไปไหนได้ตามความปรารถนาเราพึงเป็นเช่นกับเนื้อบ้าง ก็ไปเห็นสถานที่ของพระปเจกับพระพุทธเจ้าเตรียไมไว้ให้เจริญวิปัสนาบรรลุเลยนะถ้าทําบุญมาดีเนี่ยพร้อมจะบรรลุได้หมดเลยนะเขบอกว่าในนั้นอนะ่ะที่บอกว่าพระโยคาวจรที่เจริญสมถาวิปัสนามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าสั่งสมบุญมาดีเนี่ยถ้าไม่บรรลุตอนใกล้ตายบรรลุเออถ้าบรรลุตอนใกล้ตายก็ดีถ้าไม่บรรลุตอนใกล้ตายเป็นเทพปบุตรก็บรรลุได้ถ้าเป็นเทพบุตรุยังไม่บรรลุล่ะ ก็สามารถที่จะบรรลุตอนเนี่ยเป็นพระปเจกพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้ฉะนั้นถ้าไม่บรรลุในสมัยพุทธกาลเป็นพระปเจกอย่างนี้ถ้าไม่ได้บรรลุแบบนี้เป็นพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งก็บรรลุได้เร็วพลันนะ